ที่ใหม่เรียกว่าเดือนมกราเป็นสอง5ห้า้อยลงพ่อที่จะมาให้ข้อคิดอะไรแก่พวกเราพวกเราเป็นนักศึกษาเรียนมาดีการศึกษานั้นศึกษาจะเป็นศึกษาทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม มันต้องเอามาเพื่อประดับตัวเองการศึกษานี่เหมือนกับเครื่องประดับถ้าเราประดับไม่ดีมันก็ไม่ดี <c oughs> สมมุติให้ฟังสมมุติมือเรามีห้านิ้วนะแหวนมันมักสวมเล่นเล่มนี้เดี๋ยวนิ้วนางเข า, าถ้าอามาสวมนิ้วโป้งมันไม่ดีเขาจะเรียกว่าคนบ้าถ้าเอาแหวนมาสวมนิ้วโป้เขาว่าคนบา้าถ้าเอาสวมนิ้วนางกันามันดีเพราะว่าปกติมันเป็นอย่างนั้น วันนี้ดิ้วมือทั้งห้านิ้วเนี่ยมันจะมีคิได้มีคุณค่าเท่ากันถ้าจะไปถือวันนี้โปเนี่ยใหญ่เต็มที่ก็ไม่ดีครับนนี้โป้มันก็ต้องใส้หน้าที่ของนิโปเนี่ยพอหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังตรงนี้วันนี้นิโปเนี่ยจะว่าดีคนเดียวกับไม่ได้ต้องอาศัยดิ้วนี้เนี่ยซีและซีมันต้ออาศัยดิ้นี้จะอาศัยดิ้วนี้ว่าเราดีคนเดียวกับไม่ได้ดิ้วนี้มันต้องสูงสูงขึ้นไปตรงนมือห้านิ้ว เนี่ยนี่ถ้ามันถัดลงมาว่ามันไม่มีคนที่นงามมันก็ได้มันยังมีเครื่องประดับนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นเอาแหวนเพชรอะไรมาสวมนิ้วนี้หรือสวมสวมนิ้วไหนสวมนิ้วนี้ใช่ไหมลื้อๆสวมนิ้โป๊ใครเห็นสวมนิ้โป๊นี่กับผมนิ้วกลางนิ้วนี่เนี่ยอ๋อเนี่ยกับผมยังไม่เข้าใจต้องสวมนิ้วนี้นิ้วนางเอานิ้วนา นิ้่ป้อยบปนเนี้ยมันก็ย่งดีมี้่ป้อยก็ดีเวลาเรากราบผ้าตอนนี้ไปก่อนนียเข้าใจไหมเนากราบผ้าตอนทั้งนี้ไปก่อนกราบครูบาอาจารย์อกกตอนทั้งนี้ไปก่อนนีนน้่ป้อยมันดีเนื่อจะจบที่เล็กๆมันก็ได้ก่อนที่หูก็ได้ก่อนจมูกก็ได้นิ้่ป้อยดีดคือไม่เอานิ้โป้เข้าไปก่อนไม่ได้เนี่ยคุณค่าของมันนะเอาไม่ไม่เป็นไรพูดกันให้รู้จักจ อันนี้เราคุณค่าของเหมือนการศึกษาเราเรียนเรารู้จากขเขาเรีนัาถือไปย่งนี้ตามฐานะและครบูบาอาจารย์วิดามาดาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นนักศึกษา เ, เราเรียนมาดีแล้วบางคนก็ก็ถือว่าผมรู้นั้นบางทีอ่อผิดก็ได้ถูกก็ได้ดนั้นที่หลวงพ่อมานี่ก็เพื่อจะทําวามเข้าใจพวกเราจะไม่ใช่มาสอนเนี่ยมาทํความเข้าใจ ก็ไม่มีความรู้จะสอนผม น, นะเพราะคุณเรียนมาเลยนะคือปริญาเตปริญาโทรปริญาเอฟ ก, ก็มีแลอยู่ที่นี่เป็นครูก็หรือคนเคยทําการทํางานโรงพยาบาลก็มีนะีคุณอมกพรทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนันะ่นนึกหัวหนึ่งไหมเขาท า, นะาบอกมีเสียงมาเนะนีวันนี้อาจารย์ซูซี่ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหม อย่างแนี้ใครทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีแล้วอันนี้แหละความทุกข์ เ, เรียนถ้าเราเรียนมาแล้วอันนั้นมันเป็นเครื่องอํานวยมันเป็นเครื่องประดับเนื้อประดับเนื้อประดับตู้กลมรู้นี่แต่ว่าจิตใจนแบบนี้เราไ ม, เาไปปม่เอาอะไรไปประดับมันเอาอะไรไปประดับเขาต้องเอาธรรมะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นไปประดับอย่างวันที่หลวงพ่อทําให้ตูนพ่อแม่เคยสอน นิโป้มันดีไม่ดีดียังไงมันก็ใหญ่ก็มูวทั้งหมดอ๋อไม่เห็นอะไรได้ไหมไมันไม่ทําอะไรได้ไมันจะแปะโป้งตรงไหนคนเขียนมันซื้อไม่เป็นหลอกพอไปทําขอให้เซ็นซื้อไม่เป็นก็ต้องแปะโป้เนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับดับกฎหมายบางง้านเมืองนิ้วโป้งคนเขียนซื้อไม่เป็นเคยเห็นไหมแปะโป้เข้าไปเอานิโป้มันมีหน้าที่แปะโป้งไป น, นิ้วซีน่ะมันหน้าที่จะซีนคนนั้นคนนี้เขาว่านี่นิ้วซีนจะซีคือโขลกผู้ นี่ว่าพ่อแม่เราก็เป็นผู้ปกครองลูกก็ต้องอาศัยดิวซีเมือ่อซีผิดก็จะไปเอาร้วยอีกเนะี่นี่กันไหนเนีย้ยดิวซีนี่ก็ใหญ่เดือนนี้นี่ก็สูงอนะ่ะเขาฐานกันเหือนอันนี้เนี่ยใครใจใหญ่หรือเราไม่มีที่ทดิฟูเธอใหญ่เลยเธอทําอะไรได้เลยเมื่อจะทําอะไรก็ต้องอาศัยสันดิวซีบัตเตอรซีก็ต้องคนดิวซีนะเธอมีหน้าที่จะซีนะเนีน่ยยังไม่สูงพอสันเดี๋ยวนี้มันสูงกเกินทั้งหมด แต่เธอสูงก็จริงแต่ไม่เคยมีใครประดับเธอกัรประดับยุคนี้เขาประับที่ถ้ามีแหวนก็ต้องประดับที่มันนี่ก็้อยเนี่ยจ้อยวัดแต่ไม่มียนะอาสันเองเคยเป็นผู้นําัไหว้พระดูหอยู่คนี้สันมาขอนน้นสันเดินหน้าน อ, อันนี้ก็เหมือนกันที่ที่เราถ้าจะบรรยายเรื่องนี้ก็มาดังนั้นหลวงพ่อจะให้มีระเบียบวินัยคือพวกเราศึกษามาดีแล้ว จะไปทําอะไรอะไรมันต้องมีระเบียบวินหนถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยเลยคนอื่นจะมองเราในทางที่ผิดมากบันนี้พวกเรานี่มีความรู้จะไปทําอะไรก็คลองตัวสมมุติจะไปทําหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ได้นะไปทดลองก็ไดนะ้เอาลงพ่อไปด้วยหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นเอาหลวพ่อเขียนหนังสือไปเขียนใหม่ได้ให้พวกคุณนี่เขียนได้ทันทีเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยกันเป็นดังสิ่นันนี้ที่มาพูดเรื่องธรรมะ หลวงพ่อพูดได้บบหลวงพ่อพูดธรรมะได้เรื่องชีวิตหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้จริงๆเนี่ยรู้ระลับรองได้สะด้วยหลวงพ่อไม่เคยมีชีวิตสําหรับคือถดังนั้นธรรมะเมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตวันนี้ที่เครื่องประดับน่าก็ต้องจําเป็นเพื่อโลกเขาจะมองเห็นการคมนาคมการไปการมาอะไรต่างๆเนี่ยโลกเขาจะมองเห็นเรื่องรูปกายภายนอกการแสดงออกมา แต่เรื่องจิตใจนั้นหลวก็ อ, อยู่กับเพื่อนเดี๋ยวนี้แหละจะหาว่าลวงพ่อมีทุกข์ก็ได้เพราะคนมองไม่เห็นจะหาว่าหลวงพ่อไม่มีทุกข์ก็ได้เพราะมองไม่เห็นดังนั้นลดของธรรมะนั้นจึงใครได้รู้แล้วคนนั้นจะรู้หลดได้คนใดไม่รู้คนนั้นก็จะรับเอารูปของธรรมะไม่ได้เหมือนที่อ า, อาจารย์หพ่อเองถามหลวพ่อ ท่านถามไปปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็เลยะถามสมัยนะั้นหนูเขาเป็นโยน้ำอ้อยหวานไหมท่านถามแล้วพวกพวกคุณน้ำอ้อยหวานไหมหวานใครว่าน้ำอ้อยไม่หวานพูดมาลน้ำอ้อยหวานเป็นยังไงดรดน้ำอ้อยหวา น, ปนงไป เดี๋ยวนี้เราพูดแล้วน้ำอ้อยหวานเนีความจริงน้ำอ้อยไม่หวานน้ำอ้อยยังไม่ได้อยู่กับเรานี่ยเลยน้ำอ้อยมันอยู่กับทออยู่ที่ไหนมันยังอยู่สวนอ้อยเราไม่ได้กินอ้อยจะไปถัวหวานมันไม่ได้เราก็ต้องที่ว่างานชิ้นใดก็ตามน้ำอ้อยไม่ใช่มีรสหวานแต่รสหวานอยู่กับน้ำอ้อยต่อเมื่อเราได้กินอ้อยเข้าไปในขณะใดในขณะนั้นเราจึงจะรู้ว่ารสอ้อยมันหวานได้หลวงพ่อก็เลยพูดอย่างนี้กับกับอาจารย์ พูดไม่เหมือนเขาเอาจจะเหมือนเขาทําไมท่านก็นเลยกลับมาถามหมกพริกเผ็ดไหมเอ๊ะผมไม่รู้หมกพริกก็คงจะไม่เผ็ดแต่มันถึงจะเผ็ดไม่เผ็ดไม่ทราบเดี๋วนี้เพราะหมกพริกก็ยังไม่ได้มีอยู่ที่เราเรายังไม่ได้กินหมกพริกเมื่อเราทานหมกพริกเข้าไปในขนาดไหนเวลาใดเราจะรู้รดของหมกพริกในขนาดนั้นเวลานั้นและวิถีนั้นจริงๆอันนี้ก็เหมือนกัน ที่เราไปทําที่ไหนอะไรการ น, นั่งการ น, นอนการพูดการคุยเช่นเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเราในขณะที่เราทำํำนั่นแหละเราไม่เคยได้มองตัวเราในขณะที่เราทำเราไปมองตั้งแต่คุณดีกรมงานตั้งแต่เมื่อต่อไปคุณดีกรมงามมีอยู่แล้วแต่เราไปมองแต่ในทางที่ดีทั้งนั้นที่ในทางที่ผิดเราไม่เคยได้มองอันนี้เอามาเตือนกันแล้วต้องมองความผิดให้มาก การทําการพูดการคิดอะไรเราต้องมองในแง่ผิดใหมาเมื่อเราในมองในแง่ผิดแล้วเราจะได้เห็นความถูกต้องคําว่าสัมมาทิฏฐิในทีนี้พวกคุณได้เรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นอย่างถูกต้องความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องไม่มีทุกจริงจริงถ้าเห็นไม่ถูกต้องมันมีทุกจริงจริง อันนี้ก็จะเตือนพวกการป่าการไหว้การนั่งการนอนการเข้าสังคมต่างๆเนี่ยเราต้องมองทันทีอย่างนี้อย่างไปภาคอีสานไม่เหมือนกับภาคกลางภาคอีสานเขาทํำยังไงคนใดเคยได้ไปภาคอีสานจะรู้ภาคอีสานไม่ทําเหมือนกับทั้งภาคกลางแต่คนภาคกลางจะไปทําเอาเหมือนภาคอีสานไม่ได้แต่เราขึ้นไปภาคกลางต้องทําเหมือนเอาเป็นภาคกลาง พรอิสานก็เหมือนกันเมื่อไปประสบภาคนั้นก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันอันนี้ส่วนเราเป็นนักศึกษาคำว่านักศึกษาเนี่ยต้องทุกแง่ทุกมุมศึกษาให้รู้ชีวิตทุกแง่ทุกมุม <c oughs> จริงๆที่ที่เรามาพูดกันนี่คืออยากให้เรามีระเบียบวินัยนั่งสภาพเส้นนั้นนักศึกษานั่งอย่างนั้นก็จะรู้แต่เรื่องเราเป็นนั่งทำยังเดิมเรามันก็ไม่รู้จะใครเหมือนกัน อันนี้หลวงพ่อเคยเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็นที่หลวงพ่อไปเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็นจริงๆท่าทีทากับเหมือนนักศึกษาแล้วให้อ่านหนังสืออ่านไม่ได้เด็กน้อยวัยลุ้นอายุสิบหกสิบเจ็ดปีลหลวงพ่อเคยถามเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วก็ท่าทีเหมือนนักศึกษาวันนี้พวกเราเป็นนักศึกษาเมื่อเมื่อ เมื่อเรามองไปในแง่ธรรมะไม่ค่อยเขา้าใจแต่เรียนรู้เรียนรู้รู้ได้เมื่อตอนเรียนรู้นี่หลวงพ่อก็อยากพูดกลมจริงให้ฟังธรรมะเมลักในหลักสูตรนักธรรมสันติแต่หลวงพ่อไม่เคยเรียนนักธรรมสันติไม่เคยเรียนจริงๆรงและอ่านหนังสือไทยก็ไม่ได้เี่ยหนังสือเนี่ยพวกคุณคงจะหัวเราะเ่ยหนังสือมันจะถูกแต่หลวงพ่อว่ า, วานังสือไทย มันผิดกันธรรมะที่มีในหลักสูตรธรรมสันติมีสี่ข้อด้วยข้อที่แรกที่สุดว่าธรรมที่มีอุปกรณมากสองอย่างคืออะไรบ้างสติกลลลึกได้สองสปาสัญญกคมรู้ตัวแต่เราพูดได้คือเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่รู้น้อยที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปว่า ทำอันทําให้งามสองอย่างหนึ่งขันติบปปุญุฑทนสองโสราจัคุณสังเกตทำที่เป็นโล ก, ก บ, บาลคุ้มครองโลกสองอย่างอันนี้นักธรรมเขาสอนกันบุญมาได้ทันทีหินที่คมละอายแก่ใจโอตปะคมเกงโอตระบา ก, กรรมบุคคลหาได้ยากสองอย่างคือบุคาคกาลีบุคคลหาได้ยากสองอย่างเช่นลูกศิษย์ กับครูกตยุกะตะเวทีคือผู้ที่ให้ความรู้แก่เราเราก็ต้องสนองและตอบแทนเส้นบิดามาดาเคยเลี้ยงเรามาเราให้ท่านมีความสุขด้วยเราอย่าให้ท่านมีความทุกข์ด้ยเรซึ่งครูอาจารย์ก็เช่นเดียวกนะันท่านสอนความรู้ให้เราเราก็ต้องสนองตอบแทนท่านอันนี้ครูสอนอันนี้รู้จักที่หลวงพ่อพูดมันนี่รู้จักรู้จักไม่ใช่รู้แจกไม่รู้จริง การรู้แจ้งรู้จริงกับรู้จานั้นจึงเป็นคนละรู้กันรู้ไม่เหมือนกันคนำะว่าทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคนระลึกได้ต้องระลึกได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ก่อนทํา่อนพูดกอนคิดเขาไว้ย่ังเขาเข้าไว้ยังตั้งนานเมื่อปุจจณิก็เลยหมาบพูดเอาทีเดียวว่าทำที่เป็นโลกกบาลคุมของโลกสองอย่าง นี่นี่คมละอายแก่ใจโอตะปะคมเก่งปวดตบากับคำว่าละอายแก่ใจนี่ไม่ค่อยเข้าใจคือแต่คนคนยังไม่อายอยู่แล้วไม่มีคมละอายแก่ภาคแก่พวกอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเรามีคมละอายแก่ใจจริงๆต้องละอายจริงๆตอนนี้อยากให้เราละอายจริงๆนีกคมละอายโอตะปะคมเก่งปวดตบากกำเคยโลบากไหมเคยโลบาก บาปเป็นยังไงเคยรู้ไมมันจะลายมันได้ใครเคยรู้บาปเห็นตัวบาปไหมฮึไม่เห็นเคยเห็นบาปไหมบาปเคยเคยเห็นบาปไหมใครเคยใครเคยเห็นบาปวอพูดให้ฟังไม่เคยเห็นบาป ห, หรือไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นมันจะลายมันได้ทํางไงนี่เนี่ยนี่นี่คมละอายแก่ใจ กลตัวบาปกลมเกงกลัวตบาปมันจะกลัวไม่ได้ทําไมเมื่อไม่เห็นเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้ น, นั่นแหละทำน ใ, นใจใจเศร้ามองถ้านใจใจเศร้ามองไหนขณะไหนในเวลาใดอนนันนั้นต์เสวะบาปแล้วเราไม่ต้องละอายตัวบาปไม่ต้องกลัวตัวบาปแล้วเราอยากให้ใจใจเราเศ้ามองอย่าให้จิตใจเรามีกลมโกงกลมโลภกล ม, ลมลหลงนี่พูดอย่างนี้น แต่คําพูดนั้นเรียนมาจากตำรานั้นเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเรารู้จริงๆแล้วปฏิบัติข้อเดียวกับกุ้มได้คือเราไปทํางานกับพรรคกับพวกพวกเป็นครูก็มีนะอย่างที่คุณอุมาพรไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลบางครัง้งบางเขาอาจจะพอใจกับพรรคกับพวกก็มีใช่ไหมมีไหมบางครั้งไม่พอกระมีนะเนี่ยเนี่ยเขาว่าน่ากลัวคือกลัว สัตว์ร้ายก็ยังไม่มากเท่ากับกลัวตัวเราอันนี้ขอให้พวกเราเข้าใจเอาไว้การกลัวนะไม่ใช่กลัวคนนั้นคนนี้กลัวจิตใจเศร้าหมองกลัวจิตใจที่มันโกรธมันโลภมันหลงขึ้นมานี่ยเละมันจะแสดงความทุกข์ให้เราคือมันมีความทุกข์แล้วมันแสดงขึ้นมาให้เราเราจะได้รับทุกข์จริงๆเนี่ยมันะวะให้ละอายต่อบาปกรรมให้กลัวต่อบาปกรรมมันกลัวไม่ได้หลวก็เห็น คนจะกลัวตัวบาปกรรมทำไมยังทําให้บาปอยู่แล้วมันจะกลัวมถ้ากลัวบาปกรรมแล้วต้องไม่ทําให้บาปกรรมเกิดขึ้นอันนี้จําไว้มันดีที่ตําราเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราต้องมองเฝ้ามองดูที่จิตใจของเหล่านี้การทําการพูดการคิดเราต้องมองเราไปถึงจิตใจจิตใจของเรานเนี่ยมันเป็นปกติ อยู่ตลอดเวลาที่ผิดปกติในขณะไหนเวลาใดอันนั้นพุกแล้วผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่จะให้คนนั้นมารับแทนเราให้คนนี้มารับแทนเราไม่ได้คำสอนของพระพเจานิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาแต่ว่ามากมันมีมากแต่ว่าเมื่อจับจุดใดได้ก็ต้องจับจุดเดียวก็ได้ ดังนั้นที่คนปฏิบัติธรรมานั้นจังวะปฏิบัติหลายวิธีแต่ความจริงก็จะมาสำนัที่ตรงนี้ดังนั้นอยากให้พวกเรามีระเบียบวินัยกันมากคือการทำการพูดการคิดไปไหนมาไหนถ้ามันไม่คล้องตัวกันแล้วมือห้านิ้วเนี่ยมันจะดไซไม่ได้มันจะดไซไม่ได้เอาดิโพซีก็ไม่ได้มันไม่ไซมิน เมตตนี่ยมือทั้งสี่นี่แล้วปุ๊บแล้วก็จะเอาที่โพสซีนี่ซีเนะี่ยมันไม่ไม่สวยคือยกให้เป็นเรื่องอันนี้คือว่าสังคมทั้งมือห้านิ้วเนี่ยดู่ด้วยกันได้สะบัดคำกำปั้นกันได้สวยดีสวยดียดถ้าคำกำปั้นไม่มีนี่แบบมีอย่างนี้มันก็ไม่สวยนีอันนี้ให้บไปไหนมาไหนมีระเบียบเรียบร้อยรวมแจกแยกเนี่ยทําให้ตัวจิบหายตายโหงอันที่ ความแตกเนียเคยได้ยินไม่กว่าของพวกคุณคงจะได้เรียนเรื่องนี้เขาม่นิทานคำาว่านิทานเนี่ยเคยได้ยินบางบางสิ่งบางอย่างอันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยเล่าให้หลพอฟังงูตัวเดียวมีหัวกับหางหัวกับหางทะเลาะกันวันหนึ่งเคยได้ยินไหม ไม่เคยได้ยินงูตัวเดียวผิดกันได้เทียงกันได้ทะเลาะกันได้หัวกับหางหัวก็ว่าเคยเป็นผู้นําใหญ่นะ้วกูนำมึงมาทุกวันทุกวันวันนี้วันนี้กูไม่ไปกับมึงไอหางก็ไม่ไปกับมึงมันทะเลาะกันขึ้นหัวกับหางงูตัวเดียวทําไมทะเลาะกันได้แล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราไม่ได้ดูตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มองทะลุลงไปถึงจิตใจคือมันเร็วเกินไป ถาพูดตามภาษาสมัยใหม่ที่หลวงพอพูดไม่เป็นหลวพอพูดเป็นแต่ภาษาที่หลวงพ่อเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่เคยเร่าให้ฟังวันนี้ก็หางก็ไม่ไปกับหัวแบบนี้อ้าวมึงไปกูไม่ไปถ้ามาให้กูนำเธอจะนําได้ทําไมเธอไม่มีหัวไม่มีตาไม่มีหูเดินได้ทําไม่เอ้าวมึงไม่กูมึงไม่ให้กูนำกูก็ไม่ไปกับมึงเถียงกันเออเธอไม่มีตาจะเดินได้ทําไมเนี่ย มึงไม่ให้กูไปมึงไม่ให้กูนั่กูก็ไม่ไปกับมึงมันเอาหางไปเกะาะต้นไม้ไปพันต้นไม้เอาหางเคยเออกหางมูเกี่ยวต้นไมน้เคยรู้ไหมใครใครเคยรู้เอาเอาเอาหัวเกี่วยวไม่ได้น่เอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวต้นไม้พอดีหามันเกี่ยวต้นไม้แล้วหัวก็ไปแล้วไปมันก็ไปไม่ได้หางไม่ไปด้วยนีึยเข้าใจที่เราพ่อพูดเนี่ยคิดให้แน่นอนนะ พอที่หางไม่ไปหัวม <God. S 2> like ันกดิ้นดอกแดกดอกแดกมันก็หิวเข้าทุกวันทุกวันหิวเข้าเลยไม่ได้ไปเล้ยเมื่อไม่ได้ไปมันก็หิวท้องมันหิวมันไม่ได้กินไม่ได้กินมันกโกดแล้วบัณฑิตหัวมันก็โกรธเลยมันมันไม่อยากตายมันก็โกรธขึ้นมามึงทําไมไม่มึงมึงทําไมจะไม่ให้กูไปเลยกูไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตี้หัวกูไม่ไปนะหางมันไม่ยอกไปไม่ปล่อยไปแล้วอ้าววันนี้เป่า มันเหี่เอ้ามึงจะพากูไปกูไปบนันนี้อ์กูยอมมึงอ่ะมึงให้กูไปกูกลับไปเลยมึงก็มาหาไปพอเดียห า, า, หา ม, มันแก้วจากหลักแล้วกบเดินไปาหางไปหางก็นําหัวไปหาง ม, มันไม่มีตานะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหางกําแหลมไปมันก็พาหัวไปหัวก็ค่อยตามหางไปมันไปเจอก อ, องไฟ พอดีกองไฟมันลุกอยู่หางมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีตาแต่มันอวดดีหางมันอวดดีแต่มันไม่เคยมีตาเลยหูมันก็ไม่มีเสียงไฟลุกวืบวืบยมันก็เข้าไปเลยมันก็พาหัวเข้าไปมันก็เดินไปเดินไปหามันตามไปกองไฟมันเดินไปไม่ไหวมันมันกองใหญ่กองไฟผลที่สุดหางมันดึงหัวเข้าไปตายทั้งหัวทั้งหางหัวก็ตายหางก็ตายอันนี้ให้เราเข้าใจ ดันั้นอยากให้มีระเบียบเรียบ ร, ร้อยถ้าเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยแล้วขมรู้นั่นจะพาเราทิดหน้าจิบหายไปอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อธรรมพูดนี่ยขมรู้นั่นถ้าผิดไปจากคําขมรู้ที่พระพุทธสอนเอาไว้แล้วมันก็คุ้มครองใจเราก็ไม่ได้ที่ว่าฮินิคมละอายแก่ใจโอตรปาคมเกณฑโอตรบากรรมเนี่ยคือเราไม่มีคุ้มละอายเราทําเราพูด เราคิดอะไรเราไม่ค่อยมีคมละอายถือว่ามีคนรู้ในบางคนแต่ไม่ใช่พวกเรานะที่หลวงพ่อเคยเห็นเห็นมาเดี๋ยวนี้ลูกไม่เคยฟังหลวงพ่อคุแม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่เคยฟังครูบาอาจารย์ก็มีแล้วแม้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไม่เคยฟังครลูกศิษย์ก็มีแล้วนี่เป็นเนี่ยไม่ไม่เคยเสื้อถือกันเลยนต่คือใส้ตามอารมณ์วูบวาบทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งหมด เหมือนกับหัวงูกอาหารงูนั่นเองดังนั้นเราทําอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปแมื่อชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติถ้าหากชีวิตมีทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีแต่เราไปทําให้มันทุกข์ขึ้นเท่นั้นเอง อันนี้เราเข้าใจแล้วให้เราเข้าใจจริงๆแต่ความทุกข์ไม่มีหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆแล้วอาจารย์สุธีอาจจะได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยนะกับคุณอมาพรเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อพูดเราคุณคงจะได้ยินบ่อยนะความทุกข์ไม่มีแต่เราไปสร้างความทุกข์ขึ้นให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่เคยดูใจเราเนี่ยเราจะทําลงไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ ยังให้เราคิดเรื่องนี้ให้มากอย่างที่วันนี้ก่อนหนูไปทํางานในบริษัทใช่ไหมอันนี้นหนูอยากไปเป็นครูะจะไปสอนนักเรียนแล้วไปเป็ น, นไปไปสอนนักเรียนคงจะสบายกว่าทำงานในบริษัทออันนี้มันคิดบูกขึ้นมาเมื่อคิดบูกขึ้นมาตัดสินปุ๊บไปเลยนี่มันไม่ได้แล้วต้องคิดว่าเออทางานในบริษัทนี่เป็นยังไงเมื่อเราเอาไปเป็นครูนี่เป็นยังไงเรต้องคิด เราทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านก็ทําให้มันสบายสบายเมื่อเราจะออกจากบริษัทห้างร้านนี้ไปเราจะไปเป็นครูก <c oughs> ็ไปเป็นอย่างสบายสบายนี่เองเนี่ยหลวงพ่อเคยไปถ้าเราทํางานในบริษัทห้างร้านมีความทุกข์อยู่แล้วไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยนะเพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้ครัวบาปจริงๆบาปแล้วอันอยากหนีจากบริษัทก็บาปแล้วอยากหนีจากครูวก็บาปแล้ว ผู้เริงเนี่ยอาจารย์ยุติสีใครๆก็ตามเนี่ยที่ที่ยู่ดเดียกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อจําได้คุณก็เคยพูดเนี่ยคนท่าไปเกียรเนี่ก็เคยพูดเหมือนกันทําอ น, นันเดียหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่เีให้คิดให้ดีเพราะเรารักกันไม่แช่ลักอะไรคือว่าเราคิดถึงว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกับชีวิตของเราท่านพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นเนี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 ลักษณะชิวิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาเนี่ยเรารู้จักท่องแม่มามันเป็นอย่างนี้ตลอดมาอันที่เราไปทํางานนะไม่พอใจมีไหมเนี่ยในไม่ใช่ชีวิตของเรานะีมันทุกข์เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ทีเดียวเราดูไปที่ตรงนี้เลยเอ๊ะมันทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรมันคิดขึ้นอันที่มันคิดวูบขึ้นมาเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนหลวงพ่อ เดินไปให้ดูความคิดตัวเองบางค น, นยังไม่เข้าใจเรื่องควาคิดแต่พวกท่านนเป็นนักศึกษาเรียนมาดีเรียนปริญัตีปริญาโทรปริญาปริยาเอกมาแล้วก็ต้องมีความรู้ดีนะแต่เราเยังไม่เคยดูที่ตรงนี้อันนั้นมันเป็นเครื่องประดับเหมือนกับแหวนกับเพชรนี่มาประดับดิ้วก้อยไม่ได้ต้องประดับดิ้วนาำนี่หน้าที่ของบัดนี้ความรู้เราเนี่ ย, ยต้องมาประดับเนื้อประดับตัวนี่ได้ แต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องเอาธรรมะไปประดับมันต้องหาเครื่องประดับมันจริ ง, รงๆเัืงธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นตัวหนังสือก็ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นพระพุทธรูปก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธรูปหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ธรรมะคือตัวผู้คนนะั่นคือธรรมะเราว่าทำดีทำดีก็คือคนทำทำชั่วก็คือคนทำทำดีใครทำ แต่ร่างกา ย, ยนี่มันใส่ไหมมันทาไปร่างกายมันจะทําคือใจมันทําใจมันสร้างออกมาให้ร่างกายทําหรือให้รูปทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ใจมันสร้างให้หลวงพ่อพูดให้มันเอาเอาคําพูดเดี๋ยวมาพูดให้คนฟังนหรือว่าเราเคยเห็นใจเราไหมเราไม่เคยมองลงที่จิตใจจริงๆหลวงพ่อเองอันเนี้หลวงพ่อพูดความจริงใจหลวงพ่อมาเกิดมาจากทองแม่ อายุสี40 6ปีหลวงพ่อจะมาเห็นใจหลวงพ่ออีกหลวงพ่อไม่เคยดูจิตดูใจมีแต่คิดวูบจะคิดเมื่ อ, อไรเวลาใดหลวงพ่อไม่รู้สมมุติอยากสูบยาหลวงพ่อสูบไปเลยอยากกินเหล้าหลวงพ่อก็กินไปเลยอยากไปเล่นหลวงพ่อก็ไปเลยอยากไปอะไรไปอะไรมันคิดขึ้นมาวูบเดียวไปกับมันไม่ทันอันนี้สิว่าเราไม่มีผ่มลายเราต้องดูมันดูมันให้มันเห็นมัน มันคิดขึ้นมาเราต้องมองต้องดูต้องรู้มันจะทําอะไรมันใจมันสั่งขึ้นมาสวัสว่าทิฏฐิทิฏฐิมานะอะไรหลายเรื่องคือมานะคือถือเนื้อถือตัวทิฏฐิแล้วผมเห็นคือมันเห็นไปแล้วมันมันไม่ถูกต้องคือมันเห็นความเห็นสอบเห็นสอบกับเห็นทุกต้องคนละคำกันนะเห็นสอบคณะเห็นสอบในเห็นสอบใจบางทีอาจจะส อ, อกกิเลสก็ได้ บางที่จะสอบใจก็ได้อันถูกต้องเนี่ยมันมันถูกและไม่ผิดอยาให้มันถูกต้องตามกิเลสหรือมันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าชอบก็มันสอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยากให้มันชอบใจทางที่ผิดสารเรื่องที่พิจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์อันนี้บทนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องนี้กันเพราะเวลาพูดก็ต้องนาน อยากให้พวกเราเนี่ยทำเป็นระเบียบเรีเบยรบยการนั่งการากราบการไหว้ไม่ต้องไปสอนคนอื่นมากเราทำให้ดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังเขาจะเอาก็ได้แม่เอาก็ได้ถ้าเรามีแต่พูดการกระทำเราไม่มีก็ไม่ได้คนเพราะคนข้างนอกมันจะมาดูตั้งแต่กายตั้งแต่รูปเท่านั้นเองเขาไม่เคยดูจิตใจดังนั้นอยากให้ทาเรื่องรูปให้มากทาการนั่งให้มีระเบียบเรีเบยบร้อย อันนี้ไม่ได้ตำหนิพวกเรานะนี่ถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้จะหาว่าหลวงพ่อมาตำหนิไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากเราทําดีแล้วเข้ามานั่งเป็นแถวเป็นฐันกันผู้ชายข้างหน้าผู้หญิงข้างหลังนั่งนั่งมีระเบียบเรียบร้อยทําไปอย่างนี้เถอะพอเข้าใจแล้วทำไปจากปีสองปีคนนั้นก็มาเห็นไอ้พวกนั้นทํามีระเบียบเรียบร้อยเขาจะเข้ามาเองเข้ามาเองเข้ามาเองเมื่อเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงเข้ามา คนนั่งก็ทำเดียวกับคนนั่งก็จะเอาเรื่องเราไปพูดว่าพวกนั้นคนะณะนั้นเนะี่ยทำดีสวยงามดีก็เลยมีเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อวดดีนะนงก็อเอาความจรมาเล่าให้ฟังนงพ่อเป็นคนบ้านนอกไม่เคยเรียนหนังสืออยู่บ้านนอกไม่ได้อยู่ในเมืองนงพ่อมาคิดที่จะงานนั้นนงพ่อเข้ามาอยู่ในเมืองอยู่ที่อำเภอเสียขาจังหวัดลย ทำไมหลวงพ่อมาถึงกรุงเทพได้ก็หลวงพ่อคุณดีคม ง, งามอันนั้นเนยส่งให้หลวงพ่อไปเดี๋ยวนี้เพื่อนมีกำลังทำงานอยู่ที่จังหวัดเลยยังน้อยที่สุดต้องสี่สิบห้าสิบคนแต่หลวงพ่อทาทำงานตัวเป็นเกี่ยวก็ไปทำจังหวัดนั้นทำจังหวัดนี้ทาอาเภอนั้นทำอาเภอนี้ก็เพราะคนรู้จักลคนรู้จักแล้วเขาจะ ให้เราไปหาหรือบางทีเขาจะประมาณาอย่างที่หลวงพ่อมาเขานี่กพวกเหนูพวกคุณรู้จักเราการให้หลวงพ่อมามาให้ข้อคิดแต่ความจริงเราไม่เคยรู้กันมานะแต่ก่อนไม่เคยรู้อันนี้แหละให้เรา ท, ทําทีเอาไว้เรื่องความดีเนี่ยมันเป็นการส่งไปอย่างที่พระพุทเจ้าก็ือนกันคุณดีความงามของพระพุทเจ้ายัางฟื้นฟูอยู่ทุกวันนี้ถ้าหากพวกเราทําอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้เข้าใจว่า จกเป็นพระพุทเจ้าขึ้นมาในจิตใจขงีงอยากเข้าใจว่าลูกเจ้าทายศิทธาภุมารุ่งเจ้าทายศิทธาภุมารเป็นพระพุทธเจ้านะเข้าใจผิดะนะะไม่ใชเ่เป็นพระพุทธเจ้านะฟังกันนะไปอย่าไปคิดหาว่าลหลวงพ่อทําร้ายนะไม่ถูกต้องตัวเจ้าทายศิทธาภุมารเกิดมาแล้วก็ยังมีลูกมีเมียเขาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะ เขาเรียกคนธรมนธรมดาคนธรรมดาเมื่อมาบวชแล้วเไปศึกษาอยู่กับอาจารย์สองอาจารย์เรียกว่ไปศึกษาอยู่กับอาลาดาบุพรปุถกะดาวสองอาจารย์นี้อันนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้เป็นพุทธเจ้าคําสอนเหล่านัน้นมันมีมาก่อนเลยเรื่องลึกงามยามดีอะไรต่างๆมันมีมาก่อนอย่างอันนั้นไม่เป็นจากที่นั้นมาแบบ น, นี้ มาทําตอนที่ทำหลวงอาาดาบุรุปได้สมาบัตรแปดสมาบัตรแปดนั้นเขา ว, าขาา ว, วา่ากันในตำราว่ารูปซานสี่อุปถัมภานสี่เข้าซานออกซานอะไรหลวงพ่อเคยมาที่นี่ก็มีคนถามเหมือนกันอันนั้นมันตำราตำราคราวนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นคนหนีจากอาจารย์มาเพราะว่าทางนั้นไม่เป็นทางดับพุก ก็เลยมาทําทุกกะกิริยาอดข้าวอดน้ําไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยใครทั้งหมดเนี่ยไม่หายไม่หายใจไม่ลมหายใจก็กดเอาไว้สันเข้าเท่ากับเม็ดหนาแต่ละวันลวันสันเข้าเท่ากับเม็ดหนาเมื่อคนไม่ทานอาหารไม่ทานข้าวเมื่อหนังก็หมดไปจ่อยไปจ่อยไปเหลือต่เตนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นอันนั้นก็ไม่เป็นหาง อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สอนในทางที่ผิดเพื่ อ, อามาเล่าสู่ฝั่งที่หลวงพอเคยได้ยินครูบาอาจารย์ามาเล่าให้ฟังไม่ใช่ามาสอนอามาเล่าให้ฟังตอนี้เราจะไปเสื้อคนทันทีมันไม่ได้มีมีมีคนหนึ่งที่มาพูดกับหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อก็พูดอย่างนี้ให้ฟังเขาไม่เคยได้คิดอย่างนั้นเพราะก็เรียนมาจบปริญญามาจากนอกนอกนันดูจะเป็นปริญญาเอกเลยคนนั้นกัน จะเป็นอย่างไรกั่ไม่ทราครับว่าจบเขาจบปริญญามาจากนอกอันนั้นไม่ใช่เป็นพระปุริยอาจารยดเข้าก็ไม่ใช่เป็นทางพระปุริยอาาไม่ต้องพูดเรื่องจินเจีจ๊ยนเจืออะไรไม่ต้องพูดเลยอันนี้พูดผมจิืให้ฟังแต่ว่าใครจะสาอย่างไงก็ได้ถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้สนใจกับหลักพุทธศาสนาเราไปติดแล้วคือคือเหมือนที่เราอยู่ในในห้องแล้วเราติดแล้วเราออกนอกห้องไม่ได้ อันนี้หาวิธีออกจากนอกห้องที่เรอบคูุ่นในตอนนี้มากินมะขามป้อมมะสมองพวกปัจจุบันทันงห้าคนหนีปากไปเลยเห็นว่าพระองค์เนี่ยไม่มีควมเทียรแล้วเปลี่ยนมามากๆเลยแล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแนี่ยไ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมเนื้อหนังไม่ใช่เกี่ยวข้อกับพระพุทธเจ้ารูป ก, กายได้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงจิ บัด น, นี้ก็มาเดินมาคนเดียวก็มาเห็นหนางสุสดาเขาเข้าไปปวดหวงเทวดาเนี่ยว่ายวนเทวดาเราเคยมีอยู่แล้วเราจะถือว่าเป็นคําสอนของพระพระพรุทธเจ้าได้ไหมอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นพระพรุทธเจ้าไม่เป็นคําสอนของพระเจ้าตั้งแต่หัานมานี้ไม่ไม่เปเลี่ยนบัด น, นี้พระองค์ก็มากินข้าวนางสุสดานี่แหละตอนมากินข้าวนางสุสดาแล้วก็เลยไม่ต้องพูดที่เอาขันขออะไรไป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 ปฏิบัติยังไง่ายง่ายเนี่ยพอที่มันคิดพูบขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจกับความคิดของเราเนี่ยความคิดอันนี้มันคิดมาอย่างนี้ถ้ามันคิดผิดเราก็ละอายมาแล้ถ้ามันคิดทางไม่ดีอ่ะเราก็กลัวมันเมื่อเรามีความละอายมีกลัว ม, มันแล้วมันก็บาปก็ไม่เกิดบาปก็ไม่ดีบาปคือความคิดตัวนี้นี่เองหลวงพอเข้าใจอย่างนี้ที่นํามาเราให้ฟังสั้นนี อย่างอื่นน้องพาะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องคนภายนอกไม่มีปัญหามีปัญหาคือจิตใจเราต้องแก้ที่จิตที่ใจเราจะไปเป็นครูก็ตาม ไ, ไปเป็นหมอกขาตามไปเป็นอะาคเขาตามเราต้องแก้ที่ใจทํางานกับเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยมันต้องมีคนนั้นพูดคนนี้พูดเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาทําเราต้องทําตามหน้าที่ของเราแต่เราทําให้ดีกว่าเขาเนีแต่จะไม่สยักได้ดีนะทําให้ดีกว่าเขาทำอย่างไรเขาโกก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 เราไม่ต้องไปพูดกับคนนั้นคนนี้มากพูดกับใจของเราให้มากอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทิ้งว่อารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดกับใจถ้ามีอารมณ์ดีดอกจะซื่อจัดคนเรามันมีกินข้าวร่างกายต้องอาศัยกินข้าวนุ่งผ้าอาบน้ํามันไม่สกปรกถ้าเราไม่มีเสื้อมีผ้าไม่อาบน้ําเหม็นสาดเหม็นข่าถ้าไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันก็ไม่สุขอันนี้ร่างกายกินข้าว ถ้าไม่กินข้าวมันก็จ้อยกับหออันนี้ร่างกายส่วนรูนปอันนี้ส่วนใจบจใจัดเนี้ยชีวิตชีวิตกับจิตใจคนละอันอันเดียวส่วนชีวิตกับจิตใจเนี่ยเรามาแยกกันเนี้ยคือตัวใจน่ะถ้าไม่มีลมหายใจเราคนณเดียวตายเรียกว่คุณตายก็ต้องอาศัยลมหายใจเรายังอยู่ได้เดี๋ยวนี้นถ้าเราไม่มีลมหายใจเรากันตายอยู่แล้วอาศัยลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจมันตาย วันนี้เราโกรธขึ้นมาลมหายใจมันไม่ดีมันมันไม่ไม่ถึงป ก, กติมันกระทบกระทั้งมันก็แสดงออกมาไม่ดีแล้ววันนี้ชีวิตจะอยู่ได้เขาต้องมีลมหายใจใจวันนี้ใจจะไม่โกรธไม่โลดไม่หลงวันนี้ใจจะเย็นจะสบายมันต้องมีมีอารมณ์หรือมีธรรมมาลารมณหรือมีธรรมะของใจธรรมนะนั่นก็มองไม่เห็นใจก็มองไม่เห็นแล้วคือสติกันเอง คือมีสติคอยดูจิตใจมีคมละอายและมีควกลัวอยู่เสมอให้เราละอายอยู่เสมอให้เรากลัวอยู่เสมอกลัวกลัวจิตกลัวใจกลัวที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็มีคมละอายอยู่เสมออันนี้พวกท่านนเป็นนักศึกษาแล้วลู่ทันทีอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วคนได้ดูงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เห็นสีแสงอะไรนะไม่ได้มี เน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เห็นตัวเราที้เองผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นธรรมก็เห็นตัวเรานี่เองไม่ได้เห็นอะไรแล้วมีธรรมะอีกบทหนึ่งว่าอาตาหิอาตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนต้องพึ่งตัวเราจริงๆอันนี้เยาว์จะเป็นพึ่งพ่อทำไม่ได้พึ่งแม่ทำไม่ได้เยาว์มือเรามีห้าอย่ต้องอาศัยกัน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 อันนี้เป็นการทําให้ดูอยู่ให้เห็นได้พูดให้ฟังถ้าเราทําอย่างนี้ทุกคนทุกคนเรียนหลวพอ เ, เข้าใจว่าจัดสบายไปศึกษาเราเรียนในโรงเรียนก็ไปสบายเพราะจิตใจมันไม่โกรธเรื่องก็บสบายเรียนหนังสก็เรียนได้เราไปทําการทํางานตามท้างร้านบริษัทแล้วก็ทําอย่างสบายสบายเราไปเป็นตํารวจทหารก็ไปเป็นอย่างสบายสบาย เป็นครูก็เหมือนกันสบายสบายเป็นพระสงฆ์องค์เล น, นก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะมาเจงไม่ใช่ว่าบวชแล้วยังเป็นพระได้มันก็ต้องบวชทุกค น, นถ้าไม่บวชมันก็ไม่เป็นพระมันก็เป็นไม้พัดตอนนี้ให้ให้เราเข้าใจอย่างนี้บัด น, นี้หลวงพ่อเคยถามปีนี้ก็ถามบ่อยๆถามเพื่อนทุกคนต้องการสวรรค์ต้องการนิพพานตอนเช้าก็เคยพูดอย่างนี้พูดไม่ตอ่อสันพูดแรง ตอนนี้ก็พูดอีกแล้วแต่ทุกคนต้องการความสุขความสุขนั้นตายแล้วจึงเอาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเป็นมาแล้วจริงีจึงว่าเอาตัวเองมามาเป็นหลักการมาเป็นประธานมาเป็นในคําพูดเ <ME dat S 1> <c oughs> มื่อทําบุญก็ต้องปฎิฐานะเอาสวรรค์เอานิพพานถ้าหมดกิเลสก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่หมดกิเลสเขต้องไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานกิเลสไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่ดูลงไปที่นี่ไม่เห็นจริงๆถ้าเราดูลงมาที่จิตที่ใจเราใจเห็นจริงๆกิเลสกิเลสคือโทษสุดที่นางวัตเมทานางคือสุดที่นางกหมายถึงขมมิตรสุดจริงๆวัตตากหมายถึงวงขลบวัตตากหมายถึงสงสารสุดที่นางวัตเมธาอาสาวคขยาวะหังอางอาสาวะขุขิเลสนี่ยอาสาวะขยวะหังโอตุข้าพระเจ้าย็นดีเลยคทางเราไม่เสียสละ คำว่าทางก็หมายถึงเสียสลายยินยดีเลยทางการถวายของข้าไปเจ้าหมายถึงเอาให้ถวายก็หมายถึงเอาให้การถวายของข้าไปเจ้าทางหลาจงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอสวะกองกิเลส่เว้ามาจนแทบตายแล้วก็มันไม่หมดจงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอสวกกองกิเลสเครื่องดองสนันท่า น, านกล่าวว่าพระนิพพานถ้าหมดเหล่านี้แล้วก็เป็นนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าม น, านต์เธอเนี่ยเจ้บัานี้ในคณะนี้เราไม่อยากออก เราต้องเอาเดี๋ยวนี้อย่าไปฟังตามคําพูดของคนที่ไม่เข้าใจสอนเรามานั้นเราเป็นนักศึกษาเราต้องฟังและต้องคิดถ้าหากเราจะเอาสวรรค์ น, นิพพานตออนาคตคือตายแล้วน่ะเราก็าต้องรีบตายเดี๋ยวนี้ก็ดีสิเราตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานเดี๋ยวนี้แต่ถามทุกคนนี่เรางพ่อเคยถามก่ออยากตายหรือไม่ไม่มีใครอยากตายทั้ง อยู่ที่นี่ก็ไม่มีไม่มีแต่คนเดียวใช่ไหมคุณอยากตายเลยไม่อยากตายเนี่ยอยากตายไหมเนี่ยอันนี้แหละต้องเอานิพ v านเดียวนี้พวกเรามาที่นี่หลวงพ่อจะให้เอานิพ v านเดียวนี้เราไม่ต้องเอาเมื่อตายตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรคันถ้าอยากได้ n i r v a n ตัวเมื่อตายก็รีบตายเร็วกระโดดน้ําตายก็ได้เนื้อปืนยิงตัวตายก็ได้นึ้ผ้ามัดคอตายก็เลยแล้วจะ แล้วแตจะทำยังไงนะท่านเราจะเอานิพานต้นเมื่อตายแล้วนะ่ะตายแล้วก็ได้นิพานทันทีอันนั้นมันเข้าใจผิดคือเข้าใจถูกน้อยเพราะคนสอนกันมาอย่างนี้นาะนไม่ใช่ น, อนนะ้อยที่ว่าแปลกๆอย่างนี้ก็จะหาว่หลวงพ่อเนี่ยทำลายแล้วเนี่ยแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นคือหลวงพ่อว่านิพานมันมีอยู่แล้วระหว่างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นไม่เป็นสมบัติของคนนะ คนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันคนนัก็บริวาตกอยู่ในระหวา่างถ้ำปากเนี่ยมีทางสี่แผงจะเดินไปที่ตะวันตกที่ตะวันออกได้จะไปเดินข้างหน้าข้างหัวได้ในวคนอยู่ที่ตรงกางในวัดคนอันมนุษย์ได้หมายถึงบุคคลผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งพัฒนาแล้วเราพัฒนาดูแลจิตใจของเราดูแลเราแบบมนุษย์แปลว่ามีมณนะมีจิตใจเข้มแข็ง เนี่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ี่ยจะเป็นเป็นสมบัติของสวรรค์นิพพานเป็นสมบัติของมนุษย์เทียบนานโลกสัตว์เวลือดสารเตะอสุรก า, ายเนี่ยเป็นสมบัติของคนแต่ตอนนี้สวรรค์นิพพานก็เป็น ส, สมบัติของคนเหมือนกันจะบอกคาว่าคนนี่มันมันเปลี่ยนมาแนละ้วเปลี่ยนจากจากคนมาแล้วมาเป็นมนุษย์คันท่าเราลงไปเป็นคนนั่นะ่ะไม่ได้ขึ้นมามนุษย์มันก็ไปสวรรค์นิพพาน ดังนั้นเราเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็หมายถึงผู้ศึกษา <c oughs> พวกเราเนี่เป็นนักศึกษาควรได้จะทำํำถ้าจิตใจเข้มแข็งเป็นมนุษย์เราจึงเอาสวรรค์สวรรค์คือเราเอารมณ์ดีๆใครพูดให้เราก็เสียสละเสียภยัยเรื่ยงอภัยทานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุทานที่หลวงพ่อพูดนี้อันวัต ถ, ถุทานนั้นโอ้จะทานให้ใครก็ได้ทานให้เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนเราก็ได้แต่ เราต้องเสียสละเราเสียสละให้อาภายัยแก่เพื่อนแล้วหล่านั้นเราเอาภัยทานธรรมทานอาภัยทานธรรมทานเพราะว่าเสียสละให้ให้เพื่อนน่ะลอยข้างพันหนก็ยังไม่เหมือนกับเทียงธรรมทานธรรมทานนี่คือเราต้องเป็นธรรมะอยู่เสมอใครจะพูดยังไงก็ตไม่ต้องเสียสะละอะไรคือเราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมทานจิตใจลักษณะนี้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 แล้วพวกเราก็ต้องใส้สติปัญญานิพพานมันเป็นกลางๆมันเสยๆมันไม่ดีมันไม่ชั่วแต่มันทําการทํางานได้มันอยู่สบายๆคือมันไม่ยึดไม่ติดมันไม่มีอุปทานคือจิตใจเป็นวางสภาพนี้เรียกว่ามันจิตใจมันวางอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ลดให้ละให้เสียสละอันนั้นอันนั้นยังหาวิธีสละได้มันยังไม่เป็นธรรมทานเลือบเป็นอัพพานทานกับธรรมทานนี้ ตอนทำมัฐานนี่คือมันไม่มีเดียนะยเด๋ยวนี้ เ, เ น, นี่ยไม่มีคุณคุณมียึดมีถือไหมเดี๋ยวนี้เสยๆเสยๆไหมเรื่อมีมีทุกคนไหมสัตว์จะมีไหมเ น, นี่ยสัตว์ก็มีแต่สัตว์นั้นสอนไม่รู้เรื่องคนก็ดีก็สั่งแมวก็มีสุนัข ก, ก็มีตอนเศร้านี่ กำลังสั่งอาหารอยู่บนปุตตุบุญใกล้สองตัวสับกันอยู่ในปุตตุบุญเนี่ยแต่เวลามันอยู่ด้วยกันกันมันก็สบายเพราะมันมีอย่างนี้แหละเราต้องมองเจาะลงมาที่ตรงนี้ทีเดียวในขณะที่มันคิดว่าโอ๊ยไม่พอใจแล้วเนี่ยให้เราเรามีความละอายมันทันทีมันจะเป็นตรงทันทีหลักษณะเสยเสยเราให้เราจําได้ทุกคนว่าหลักษณะเสยเสยอันนี้แหละมันมีอยู่ในคนในสัตว์ แต่ว่าคนนั้นมันยังไม่เข้าใจสัตว์นั้นยิ่งแล้วพูดให้ฟังแล้วมันจําไม่ได้คนนี่พอจะจําได้ถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นเข้าไปไวๆอย่างที่พวกท่านเป็นนักศึกษาสามารถโอจะเอือลักษณะจิตใจของคนเป็นอย่างนี้มาแล้วลักษณะนี่มันเป็นสมบัติของนักศึกษาเรียว่ามนุษย์ก็ได้นักศึกษานักศึกษาจะเป็นผู้เรียนสูงแต่เราไม่ได้เรียนทางชีวิตของเราเราไปเรียนเต็มตัวหนังสือ วันนี้เนี่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ารอยี่สิบห้านี่ววันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วไม่ใช่ปีเก่าแล้วปีเก่าเนี่ยเราไม่เคยได้รู้อย่างนี้วันนี้ปีใหม่เราต้องรู้อย่างนี้เอาอย่างนี้ไปทําการทํางานเราต้องอยู่ระดับนี้เพื่อนมาหาเราเราต้องเอานี่ค่อยออกหน้าเข้าใจอย่างนี้ไปหาพระเราต้องเอานี่ค่อยออกหน้าอย่าเอานี่โปออกหน้านไม่ดีเอานกนี่โป้ออกหน้าเนี่ยมันไม่ได้เพื่อทํานะ อ้อนี้วโป้ออกหน้าได้ไหม αι? มันไซส์ไม่ได้มันต้องอ้อนี้วก้อยออกหน้าอย่างนี้อย่างนี้ก้อนมันผ่าไปผ่าไปนิ้ก้อยยาไปเราต้องให้รู้จักคุณค่าของนี้วก้อยเนี่ยพวกเธอทั้งหลายก็จะเป็นนี้วก้อ้เป็นนิ้วนอกก็ตามันจะเป็นผู้นําได้นี่วก้อมันสามารถนําได้มันนําได้จะนําให้มันถูกถนะคันนาไปตีเขาไม่ทำไปได้ทํอย่างนี้ตีไม่เก็บถ้า ก, กํากําปั้นย่งนี้ตีเก็บนะแต่กํากับปั้นไม่เอาทางนี้มันจะเอาทางนี้สกไป ถ้าหากเอานิ้วก้อยได้เป็นผู้นําดีแต่ว่าให้ระวังนิ้วโป้งไว้ให้มันดีนิ้วโป้มันสามารถจะกานิ้วก้อยอยู่ได้เป็นอยังไงคนลนเรื่องมานจะให้มันอยู่ด้วยกันได้ Bronx. Bronx. าาดิ้มือห้านิ้วนี่ถ้าหากว่าดิ<อ>้วมือห้านิ้วได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็กับไม่ติดมันจะเป็นคนมือกุดถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอยู่อาศัยด้วยกันหลายถ้าอยู่อาศัยด้วยกันหลายคนต้องรู้จักจิตใจของเพื่อนเราจิตใจของเรา แต่ทุกคนเนี่ยมองถึงจิตใจตัวเองแล้วก็สบายทําการทํางานโดยไม่เดือดร้อนไม่มีทุกข์จริงๆก็เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยย้ายนันเป็นยังที่งูงูหางงูพาหัวงูไปเข้ากองไปตายหัวมึงดีไหมกูไม่ไปด้วยมึงแล้วกมึงไปไม่ได้หัวแถวหางแถวเนี่ยยังที่เรางพ่อบนั่งเป็นแถวกันดีๆนั่งเป็นแถวกันดีๆหัวแถวหางแถวนั่งให้มีระเบียบเรียบร้อย หัวนั่งยังนี้หางนั่นนงยางนึงมันก็ไม่สวยมันไี่จะดูที่ไหนไม่มีระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าเราให้ต้องพยายามดูอันนี้เป็นบทเตือนกันไม่ใช่เตือนเพื่อจบหายเตือนเพื่อเกาะก็กกได้เตือนเพื่อให้เราไปไซก็ได้วันนี้ก็สมควรแล้วคือสุดท้ายก็มาเตือนในเราหนึ่งทุม จ้าคุณปัญญาจะมาที่นี่เราต้องมาทาทีการให้ให้เมย์ละเบียบเรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำเลยดีในวันนี้ตอนตีละครจะจับเป็นการพูดตอนตีละครังตีน้อยก็ได้แในตอนสันข้าววันนี้ต้องจําเป็นต้องหูนต้องจําเป็นเราจะก็อยากให้สันเป็นเวลาเราจะสั่นมือเดียวก็ได้จะสันสองมือก็ได้ เรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะสังคมเขารับอันนี้แต่ทางธรรมก็ไม่ผิดแต่สังคมเขายอมรับพระสงฆ์องค์เมนสั่งข้าวก็ต้องสั่ในระยะ12โมงมาถึงตอนเช้าพิเศษนะเกิน12โมงไป็นอไไม่สังวันนี้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมคําว่าปฏิบัติธรรมเราก็ต้องให้อยู่ในกรอบในระเบียบสังคมแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นอย่แต่าาว่าอาศคนจะมาดูแลพวกนี้มาปฏิบัติธรรมทำไม อยากกินยําได้ก็กินเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้เลี้ยดอันนี้มันจะมันจะระคายออกไปใช่ไหมมันจะระบายออกไปข้างนอกแล้วคนอื่นจะมามองวันนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้จะแก้เมื่อนี้ก็ดีกว่าคุณคือตอนเสาร์คุณนี้เราจะสันเพื่อเดียวเทอะเราขัดตกสายสายอย่างสันในระยะสิบเอดโมงหรือสิบโมงสั่นถ้าเราจะสันเพื่อเดียวถ้าได้อาหารมาเล็กๆนะเราจะสั่นสองไม่ต้องเกียมสัน หลวงพ่อเข้าใจว่าสันมือเดีย๋ยวจะเหมาะดีพวกเราที่นู้นหรือจะไหนจะดีเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่ทุกค น, น, น, นแล้วนี่อายุก็ต้องยี่สิบกว่าปีท่านนะไม่ใช่แบบอายุห้า ป, ปีหก ป, ปีเราทำได้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะมาเห็นอราเวลาสรนกับน้ากันเหมาะเหมาะหรือให้มันสวยให้มันงามแล้วบางทีผ้าเนยเนี่ยจะรู้คือผ้าเนยที่อยู่เนี่ยหรือพวกเรานี่ก็เหมือนกันที่มาที่นี่ไม่ใช่จะมาหวังดีต่อเราทั้งหมด บางที่จะมาหวังจับผิดแล้วก็ได้นี่ที่มาเนี่ยที่ที่หลวงพ่อคูณจะมีไม่ได้แต่มีคนนั้นคนนี้นะเข้าใจไ น, ะนี่เราท่านทักพวกที่พวกนี้มากลุ่มที่อะไรพระพรหมผลบุญก็องค์การทำที่วัดออเป็กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทำํนะออทำทํางานที่จุฬา อรู่ทางลุงพินิทามสมัยเขาใจว่าเนี่ยคุณทํำมากทางเมื่อจุลาใช่ไเรามีการเกี่ยวข้องหรือว่าทางธรรมสถานจุลาเขาก็ว่าเขามีเครื่องเสียงอะไรผมหน้าที่ผมส่งส่วนลุมแล้วก็คอยส่งขางั้นเราเขต้องเข้าใจกันแล้วจะมาเห็นกันคนนั้นมาคนนี้มาเก็เป็นเพื่อนอันเดียวกันนะเมื่ออะไรบอกข้อที่เราพูดกันได้ก็ไม่ไม่เป็นถ้าว่าพวกนี้มาเห็นเราเอ๊ะพวกนั้นไปปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คุณต้องไปพูดแต่คุณไม่พูดขึ้นคุณต้องพูดเนี่ยพวกนี้ไปเห็นคุณทำํำก็ต้องไปพูดอันนี้หลักขณะหนักสณะที่มันจะเอาตัวไปเองหลวงพ่อมาที่กรุงเทพนี่ก็มีคนอนหลวงพ่อมาไม่ใช่หวงพ่อเดินมาเองก็คําพูดนี่มันมาก่อนแล้วคือคําพูดมันไปแล้วตัวคนยังไปตามหลังจริงๆนะเรื่องนี้หลวงพ่ออยากให้อยากให้ฝึกระเบียบตอนนี้มลวงหลวงพ่อไปสัมมนาที่สุรินทร์ ไปที่สุรินทร์หลวงพ่อยังไม่ได้ไปตัวหลวงพ่อไปถึงที่สุรินทร์มาสัมมาาที่ทําบริษัทวหลวงพ่อยังไม่ถนัดมันมาก่อนนี่ยนี่หลวงพ่ออยากใ ห, ให้ให้พวกเราจำวันนี้ให้มากเป็นการที่ไม่ใช่จํานะไม่ใช่จําคืออยากอยากให้เราทำํำเมื่อพวกคุณไม่ทําหลวงพ่อก็ไม่มีทุกไม่มีทุกด้วยแต่เพียงให้ขอคิดถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้ เราจะมีพลังอันหนึ่งคือเขาจะมาสมงเท่น่าดูน่าติดเราก็จะไปเป็นเพื่อนเขาเปคือว่าคนที่ดีอยู่ที่ไหนมันอยากเข้าไปคนอยากไปดูของดีของดีๆไม่ใช่ว่าของที่เขาห้ามไมา่อยากให้ดูยิ่งอยาไปดูไปเลอันนี้เราอยากให้คนดูเ ร, เราอยากอยู่ที่ไหนอยากให้คนดูที่เรามาประชุมคนที่นี้เนี่ยมีคนปัญญานีมีคนวันอาทิตย์มามีคนมาเยอะมาก ถ้าเราทำให้มีระเบียบแล้วคนจะ ก, กลุ่มนักศึกษากลุ่มปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่วัดบมปทานนะสุภาพเรียบร้อยดีมีระเบียบวิหนหยการไปกันมาพระเจ้าพ่อดีใหม่เรียกว่าเดือนมกราเป็นสองพันห้าร้อยย่สิบห้าวงพ่อ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 จนมดมือเรามีห้านิ้วแหวนมันมักสวมเล่มเล่มนี่เดี๋ยวนิ้วนางเขาถ้ามาสวมนิ้โป้มันไม่ดีเขาจะเรียกว่าคนบ้าถ้าเอาแหวนมาสวมนิ้วโป้เขาว่าคนบ้าถ้าเอาสวมนิ้วนางกันมันดีเพราะว่าปกติมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ดิ้วมือทั้งห้าน <s arp sec CA> ิ้วเนี่ยมันจะมีซิปเรียกมีคุณค่าเท่ากันถ้าจะไปถือวันนิ้วโป้เนี่ยใหญ่พื้นที่ก็ไม่ดี บาลีโปมันก็ต้องใสหน้าที่ของนิโพ้เนี่ยพอหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนี้บาลีนิโพ้เนี่ยจะว่าดีคนเดียวกันไม่ได้ต้องอาศัยดีวนี้เนี่ยซีและซีมนต้องอาศัดีนยูนี้จะอาศัยดีวนี้ว่าเราดีคนเดียวกันไม่ได้ยูนี้มันต้องสูงสูงขึ้นมาหนึ่งห้านิ้วยวนี้แตามันถัดลงมาว่ามันไม่มีคนดีคนงามมันก็ได้มันยังมีเครื่องประดับดีๆเคยเห็นไหม เคยเห็นเอาแหวนเพชรอะไรมาสวมนิ้วนี้หรือสวสวมนิ้วไหนสวมนิ้วนี้ใช่ไหมเลื่อนเลื่อนสวมนิ้วโป้โอใครเห็นสวมนิ้วโป้งน<อ>ะเส้นเลือดกลางนี่นิ น, ๆๆๆนี่ยอ๋อเนี่ยครับผมยังไม่เข้าใจต้องสวมนิ้วนี้นิ้วหนาของนิ้วหนาเนี่ยนน ก, ก้อยวันนี้มันก็ยังดีมีก้อยมันก็ดีเวลาเรากราบพระอาจารนี้ไปก่อนเ น, นี่เข้าใจไห นกกาพาตอนทางนี้ไปก่อนนอกกาครูบาอาจารย์ตอนทางนี้ไปก่อนนี่ก่อนมันดีเนื่องจากจบที่เล็กๆมันก็ได้ก่อน